ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายสําหรับตอนนี้ก็เป็นเรื่องขุดุจลายคุยกับท่านสองปู่เจอสําหรับพระยาโยามตัวลเรียกว่าปู่เล็กท่านนายบัญชีตัวลเรียกว่าปูใหญ่ทาาญ ร, รบาบตามนี้ไว้ด้วยในเมื่อพระยาโยามกับท่านปู่ใหญ่คือปูเล็กกับปู่ใหญ่ทญั้งสองท่านสอบสวนคนที่ไปเป็นเทวดาแล้ว ก็พักจบภารกิจก็บอกว่าตอนนี้เป็นเวลาพักจะคุยกับหลานงานต่างๆเจ้าหนา้าที่ก็ทาคนที่รออยู่ให้เข้ากลุ่มตามเดิม <c oughs> อันดับแรกจุไยก็ถามท่านปูโ่โบท่านปูนป่เล็กเจ้าคะคนที่ตายทุกคนต้องผ่านสำนักของคนปู่หรือเปล่าท่านปู่บอกไม่จำเป็นทุกคนลกูกคนที่ตายถ้าเขานึกถึงบุญในเวลานั้น ถึงแม้สว่ว่าเขาจะมีบาปมากแต่บาปที่ไม่หนักที่สุดคือไม่ใช่นันเรกรรมเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาาระรหันทำด้สงฆ์ให้แตกกันหรือว่าทำลายห ร, หรือหรือว่าทำร้ายพระเจ้าไอ้หอบโรสิ็นต้นคนบาปประเภทนี้แล้วก็ไม่ต้องผ่านสุนัขของลงเหมือนกันเขาลงนรกทันทีทันใด แต่คนที่ไม่มีบาปถึงอย่างนี้บาปก็มีบุญก็มีเกี่ยวกัความทั่วก็มีความดีก็ปรากฏ <c oughs> อย่างนี้เขาจะก็ต้องผ่านนัะของหลวงต้องสอบผลกันก่อนอย่างคนเมื่อสักครู่นี้ความจริงเขาทาบาปมากเวลาที่ทําบุญเขาทาน้อยแต่เวลาจะตายจริงจิตเขาก็โม่ไม่นึกถึงบุญไม่นึกถึงบาป ไม่นึกถึงแต่ทุกเขเวทนาอย่างเดียวดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องนํามาสอบสวนถ้ า, าจิตเขานึกถึงบนเขาจะลงนรก ท, ทันทีไม่ต้องผ่านสนักลงไม่สำหรับแ ไ, ไม่ผ่านปูนะแต่หากว่าเขาเนิบถึงบนไม่แต่อย่างเดียวอย่างเขานึกถึงว่าเราเคยเลี้ยงสุนัขเราเลื้สุนัขด้วยความเมตตาแบบนี้แล้วนึกถึงสุนัขที่เขาเลี้ยงก็แล้วกันเท่านี้เขาจะไปสวรรค์ทันที ไปรับผลตามอารมณ์ที่คิดก่อนตอนนี่เขาไม่ได้ น, นึกก็ต้องสอบสวนกันจุไรก็ถามว่าทําไมท่านโปเล็กอยู่ในอักติบาปเขาทํามากแต่บุญเขาทําน้อยทำไมให้ไปสวรรค์ก่อนท่านโปก็บอกว่าเขานึกถึงบุญได้ก่อนนี่ถ้าเขานึกถึงบุญได้ก่อนถ้าเขานึกถึงบาปถ้าเขาไม่ถึงบาปได้ก่อนเขาต้องไปโดนรกแะนด้วบาปเขานึกไว้ออกเขานึกได้แต่บุญบุญใหญ่เขานึกไม่ได้นึกแต่บุญเล็ก ให้ทางกับสนัขเลี้ยสุนัขไว้ด้วยความเมตตาแต่ว่าในเมื่อเขาออกไปจากบริเวณนี้แล้วบุนทุกอย่างจะเข้ามารวมตัวเขายันเจลานเห็นแล้วที่ไรก็กราบท่านโป้เล็กก็กราบท่านโปใหญ่บอกว่าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะก็ถือว่าอารมณ์แรกอารมณ์อารมณ์ใดรว ม, นรมหนึ่งก็ตามที่เกาะก่อนตายเมื่อจิตใจออกจากร่างก็ไปตามกําลังของอารมณ์นั้นถ้าจิตใจนึกถึงอารมณ์ชั่วก็ไปอบาอยภูมิ ไปเทงเทิงเทิงนึกถึ ง, ถงอารมณ์ดีก็ไปสู่สุขติในสวรรค์เป็นต้นหลวงพ่ท่านโปก็บอกเออถูกแล้วต่อไปจูเไรก็ถามว่าท่านโป๋เจ้าค่ะหนูน่าสงสัยนี่หลัง น, นี่ฐานของท่านโป๋ที่วัดเจ้าทรงท่านโปที่วัดเจ้าทรงท่านเล่าในฐานเลกาว่าท่านไปเจอโลกดำโลกหลุมดำหรือ่ดาวหลุมดำดาวหลุมดำน่นมีจริงๆหมเจ้าค่ะ ท่านปู่เล็กกับปู่ใหญ่ก็หันมาถามว่าหลานคิดว่าโภคเจ้า่ะเขาจะโกหกยา ง, งนั้นเจ้าเล่ยก็บอกว่าท่านบอกว่าเป็นนิทานเที่ยวโกหกไม่ได้นิทานจะเป็นของมีจริงก็ได้ไม่มีจริงก็ได้แต่หนูสงสัยว่าอาจจะเป็นของมีจริงก็ได้ <c oughs> ท่านปู่เจ้าสองก็ยอมรับว่าเรื่องลาวดาวห ล, ลุมดำนีม่มีจริงเจ้ายก็ถามว่าดาวหลุมดำอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะ ท่านปู่ท่านสองก็บอกว่าเธอขึ้นมาเนี่ยเวลานี้นั่งโย่สูงกว่าเราดาวล้มดำอยากจะดูไหมล่ะจุไรก็บอกว่าอยากจะดูท่านก็บอกว่าดูตามนิ้วมือที่ปู่ชี้ไปท่านปู่เล็กก็ชี้นิ้วมือไปเธอก็เห็นตามความเป็นจริงว่าโดยกาลังความเป็นพิษก็ปูทรงพอนี่เธอเห็นจักรวาลทั้งหมดนากาศ มันลอยอยู่เป็นระยะเป็นลูกๆมันก็ลูกผลส้มอยู่เกื่อนกลาดไปหมดเต็มโดยหมดคำว่าเต็มนี้มันจะหมายความว่าเบียดกันแม่ปู่ก็ชื่อว่าผลส้มลูกเล็กิที่หลานเห็นลึกลงมปนั่นแหละลึกสดตามนมือของโปู่มันเป็นลูกมนุษย์ที่หลานอยู่แต่ความเจรยงหลาขึ้นมาแล้วผ่านจักรวาลทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้สังเกตว่าขึ้นมาเร็ว ถ้าศัยความเป็นทิพย์ยังไม่สนใจวัตถุกันใช่ไหมจุลัยก็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะจุลัยก็พิาจารณาบอกจักก็โดยเคยก็ถามปู่ว่าจั ก, กรวาลต่างๆที่มองเห็นเนี่ยความจริงมันไกลาจากถิ่นที่เป็นทิพย์ลงไปมากท่านปู่ก็ยอมรับแต่ก็บอกว่าทั้งๆ ท, ที่จั ก, กรวาลมีมากขนาดนี้ยังเล็กกว่าสวรรค์เั้นจารุมาราที่นางอยู่นี่มากท่านก็บอกว่าใช่ ในดินแดนที่ใจต ะ, ะวันทั้งหมดลอยในอากาศทั้งหมดนั่นแหละทีนมีอยู่ทั้งหมดจะมาเทียบกับเทอเอสวรรค์เช่นจาตัวร้รายก็เทียบไม่ได้สวรรค์เช่นจา่าตัวราชกว้างขวางใหญ่โตมากกว่าเยอะแยะท่านตัวก็บอกว่าหนูเห็นลูกฝนส้มที่มันลอยอยู่เหนือมนุษย์โลกไหมความจงต้องผ่านไปหลายสิบชั้นท่านแอร์เทก็บอกว่าเห็นท่านก็เลยบอกว่าฝนส้มที่เลี้ยงทางํางได้ทิศตะวันตกนิดหน่อย ที่โตกว่าโลกมนุษย์นิดหน่อยนั่นคือดาวพระจันทร์แล้วที่เลยองมาอีกหนึ่งตรงขึ้นมานี่เป็นดาวอังคารเยื้องไปทางทิศตะวันตกมากหน่อยใกลสุดโน้นดาวใหญ่นั่นคือดาวพระศุกร์แล้วยื่นขึ้นมาทางด้านขวามือนี่นิดหน่อยก็ไม่ไกลนักที่ใหญ่โตมากจนดาวพระหัตถ์ก็รูว่ า, มาเมื่าฉันชี้โดนดาวให้โดูโลกมนุษย์นเล็กนิดเดียว ในจุลไรก็ถามว่าดาวดํามาเจ้าค่ะดาวหลุมดําอยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าต้องถอยหลังขึ้นมาหลานถอยขึ้นมาสูงขอบจั ก, กรวาลคําว่าขอบจั ก, กรวาลหมายว่าจักรวาลจั ก, กรวาลของอากาศะลมจั ก, กรวาลของอากาศที่ลงมาจากสวรรค์จะประทับจุดนั้นก่อนถึงก่อนแล้วก็นจุดสูงสุดดาวหลุมดํานี่อยู่ๆในเขต น, นั้นท่านก็ชี้ให้ดูจะเห็นเบื้องล่างดํา กระเวืองข้างบนเขียว็จีเป็นป่าทึบแล้วกม็มีทะเลมีมาหาสมุทรแต่เห็นไม่โตนักก็อยู่ไกลกัน <c oughs> แ, กแล้วต่านลุงก็ท่านปู่ก็ชี้ดูด้านโน้นทางด้านทิศตะวันออกจะมีดาวดวงใหญ่ๆอีสองดวงเรียงข้าไปจะไม่อยู่กัไม่ไกลไม่ใกล้นักห่างจากมนุษยโลกประมาณดาวฤกษ์ ระหว่างดาวมนุษย์กับดาวพระสุขร์เยดาวทั้งสองดวงนั้นห่างไปจุดระยะรยะเท่านั้นห่างไปโดนแล้วเท่านั้นแต่ว่าสองดวงนั้นก็ใหญ่มากใหญ่ตโตมหาลานมาก <c oughs> ถ้ามีบริเวณความกว้างก็ใกล้ๆกับดาวหลุมดําแต่ว่าดาวหลุมดํำมีสภาพแตกต่ตางจากเขานื่นคือว่าตรงกลางมันเหมือนเหมือนก็ส้มผ่าตัดครึ่ง ให้เหมือนกับกระทะความกลางเป็นโรงข้างบนเป็นพื้นที่พบด้านบนเป็นพื้นที่พบเป็นที่อยู่ของคน ม, มีแผ่นดินมีความหนาของดินหลายยอดเฉพาะด้านล่างเป็นหลุมเก็มองลงไปชัดกระตากว่ามีดวงดาวต่างๆที่ลอยเข้ามาใกล้ก็ไหลเข้าไปในทองของดาวดาวถุงดําท่านลงก็เชื่อดูดาวก็ไหลออก ดาวที่เข้าไปก่อนไหลออกดาวที่ไปจะหลังไหลเข้าดาวที่ดาวที่เข้าไปก็เห็นสภาพการไหลวนพนเดียงนั่งโดยตรงนั้นไม่ต้องเข้ามาจินดาวแต่จุไรก็ถามว่าดาวหลุมดาจริงๆเป็นสิ่งที่มีคนและสิ่งที่มีโทษแต่ก็ตอบว่าขึ้นชื่อว่าดาวเป็นเพนทิพพจะเป็นโลกโลกหนึ่ง จะเรียกก็ว่าโลกตัดโรคสมตัดก็ได้และโลกสมโอตัดขึ้นก็ได้มันเป็นโลกที่แตกแต่เจลกอื่นจะถือว่าเป็นคนถือว่าเป็นโทษอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะเป็นวัตถุมันสุดแล้วโดยคนจะใช้เธอก็ถามต่อไปบอกว่าเห็นนิทานของท่านปู่มาว่าคนที่โลกอะโลกอะไรเ้าเรียกเรียกโล ก, กชื่อนั้นโลกโลกที่มีความชนะ หรือว่าดาวหลุมดาคนในที่นี่มีความสุขมากเจ้าฟังกันไปก็คล้ายๆกับศา ส, สนาพราหมณ์ที่ตารนาสือก็เขียนบอกว่าศา ส, สนาพราหมณ์ในคนไม่มีคนจนมีแต่คนรวยและคนทุกคนก็สวยมีทรัพย์สินมากบ้านช่องบ้านเรือนโลนและบ้านเรือนโลนหลายบ้าน ทรัพย์สินต่างก็ไปตระวางสารมัน ม, มีขโมยโจรมีความสุขแต่ว่าท่านปโป้เล่านิทานเรื่องโลกของหลุมดำคือดาวหลุมดำเรื่องโลกที่นรกไลฟฟังว่าเป็นคนที่มีกรรมบกสินั่นก็มีพระมเหาสีเป็นพื้นฐานก็อยากจะทราบว่าคนในโลกในดาวหลุมดํานี่หลังดาวที่อยู่ที่ดาวหลุมดํามีกรรมบดสิ ก็คนในศาสนาพระศรีอานี่ใครจะมีสุขมากกว่ากันท่า <c> น <oughs> ลงก็บอกว่ามันแตกคนและสถานที่หลังรักสำหรับดาวหลุมดำนี่เขาคัดคนมาโดยเฉพาะคำว่าคัดก็ไม่ใช่ดาวดคัดคนคัดคนคนคัดตัวเองคือคนที่มาเกิดที่ดาวหลุมดำนี่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมนุษยธรรม ทำที่ทำคนให้เกิดเป็นมนุษย์เทียมหมาความตายจากความเป็นคนแล้วก็เกิดเป็นคนแต่ก็ไม่ได้เกิดในชมพูในโลกชมพูก็มาเกิดในในประเทศลาหลุมดานี่แต่เฉพาะดีคนที่มาเกิดที่นี่ก็ต้องเป็นคนหนึ่งมีกรรมสิทธิ์ครบถ้วนโดยการีสองมีพรมีหารสี่ครบถ้วนและทีม่มาเกิดในที่นี้ก็มีจิตใจรับ อยากจะเกิดเป็นคนใหม่เธอต้องคิดว่าการเป็นคนตายจากคนแล้วก็ต้องเกิดเป็นคนจิตใจโดยมีการนึกถึงว่าอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปพรหมอยากจะปนิพันธ์อยากจะเป็นคนตามเดิมนี่กำลังกุศลของค น, คนก็คงไม่มีเฉพาะกัมมบทสิบไม่มีเฉพาะพรหมญาณสี่ <c oughs> ต้องมีดีขึ้นไปกว่านั้นมีบุญมากกว่านั้น กำลังที่มีความดีสูงอย่างนั้นสามารถจะไปสวรรค์ก็ได้อยากจะไปสมนทโลกก็ได้หรือบางคนถ้าจิตใจสะอาดอย่างนี้เป็นพื้นฐานวก็สามารถจะไปนิพพานก็ได้แต่คนประเภทนั้นเขาไม่สนใจจะไปพบอื่นคิดว่าการเกิดเป็นคนนี่มันดีที่สุดก็ย่าเลยอยากจะเป็นคนต่อไปเมื่อมีความดีขนาดนี้แล้วมีพรมิญาสี่ครบถ้วน มันมีความบรสิ์ครบถ้วนจะเป็นคนในโลกชมพูก็เป็นไม่ได้แต่ว่าพวกนี้คําว่าเป็นคนหมายความที่เป็นมนุษย์แต่ว่าจะเป็นจะเกิดในโลกชมพูก็เกิดไปได้เพราะมีความดีมากเกินไปโลกชมพูนี่เป็นโลกผสมหมายความว่าคนความชั่วกับมีความดีกับปรากฏทําให้ความดีและความชั่วแต่ว่าโลกดาวหลุมดํานี่ไม่ที่เรียกว่าชินโรค โลกที่เต็มด้วยความชนะชนะความชั่วถกมีแต่คนตาถนาดีเท่านั้นต้องมีเฉพาะดีเกิดที่นี่ฉันเมื่อคนประเภทนี้มัมีความต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แท้ๆที่โลกดาวหลุมดำตุเล่ก็ถามว่าก็มนุษย์ในโลกสัมพูไม่เช่อมนุษย์แท้ๆหรือเจ้าค่คุณท่านปูว่าหนูดูลักษณะท่าทางของคนในโลกดาวดาวหลุมดา ก็มีแผนมีขาเมียการสามีสองเหมืกันแต่งงานมีผัวมีเมียเหมือนกันมีบ้านมีช่องกินและตาแก่แก่ตายเหมือนกันทุกอย่างก็เหมือนกันหมดทําไมถึงไม่เรียกวมนุษย์ท่านปู่ก็บอกว่าคําว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงนั่นก็หมายความว่าเขาต้องไม่ทําชั่วไม่ละเมิดกรรมบวชศิษฐ์ไม่ละเมิดภูมิฐานสูง มนุษย์ทุกคนจริงๆมนุษย์ร้อยเปอร์เซต้องปฏิบัติอย่างนี้สำหรับในโลกโฉมโภคของเรามีความประพฤติไม่สม่ำเสมอกันไม่ได้คนคนเดียวก็เหมือนกันคนคนเดียวกันบางครั้งในช่วงเช้าถึงเที่ยงเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์มีพรรยาสี่แต่ตอนบ่ายกลายเป็นคนใจร้ายละเมิดศีลไม่ตั้งใจทรงพรรยาสิบอย่างนี้ทรมี <c oughs> บางคนก็นิยมทําความชั่วมากกว่าทำความดีเห็นว่าคนเนื้อทําบุญแตงกุลให้การนักษาสินเจริญพรนาฟังเทศเป็นคนค่ําคือไม่ทันสมัยตัวเองทันสมัยด้วยอย่างทรัพย์สินมีแต่ไรสะสมไว้เพื่อความร่รํารวยการบริจาคทานเพื่อผลความสุขในวันหน้าไม่มีการนักษาสินเขาทำให้รใจสบายไม่มีการเจริญสมาธิธรรมจิตเป็นสุขไม่มี การเจริญภาวนาเพื่อทำให้ปัญญาโองใสนี่เป็นคนประเภทนี้มีอยู่ประสเงย์เรียกโลกนี้ว่าโลกของคนแต่ว่าอยู่ยุลายาถ้าอย่างนั้นคนในโลกชมโพก็มีสติไม่แน่นอนหมายความว่าตายากความในคนจะเป็นสเปนสัตว์นรกก็ได้เป็นเป็นอสุริยสัตว์เดชแสงก็ได้เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมปณิพนธ์ก็ได้ใช่ไหม ท่าลก็บอกว่าต้องแยกประเทศกันคนทำความดีไปเสวยถึงความดีในสวรรค์เป็นต้นคนไข้ควรถึงความชั่วก็ต้องไปนรกเป็นต้นเทศก็บอกว่าคนทุกคนมีความจำเป็นเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นอยู่บังคับบางทีเงินจะซื้อกับข้าวก็ไม่มีจะหาของไปแลกเปลี่ยนกับเขาวันมีก็ต้องตกปลาหาเนื้อหาปลามากิน ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต <c oughs> คนประเภทนี้บางการก็คิดใ น, นด้านความดีแต่ถือว่ามีความจําเป็นท่านปู่ก็บอกว่าถ้าถือว่าการฆ่าสัตว์มีความจําเป็นเพื่อความเป็นอยู่ของตัวเองเมื่อตายแล้วก็มีความจําเป็นต้องลงนรกเองเหมือนกันไม่มีใครก็ผักดันก็เไรก็เปลี่ยนเรื่องถามถามว่าท่านปู่เจ้าคะในโลกดาวหลุมดาหรือที่นรก ชื่ะโลกแปลว่าโลกที่มีความชนะชนะจากความชั่วที่มีสติตรงกันข้ามกับความหมดสิทธิมีสติตรงกันข้ามกับพรมีหารสี่รงความดีสองหมดไว้ที่พรมีฐานสี่กับความหมดสิทธิในโลกโลดนี้มีทรัพย์สินมีเงินมีทองมีแร่ธาตุสำคัญมีบ้างไหมแต่ว่าในนิทานที่เป็นโปะเล่าไว้ไม่ได้บอกไว้เลย ว่ามีขุมทัพย์ที่ไหนบ้าง <c oughs> แล้วมแีแหวนเงินทองที่ไหนบ้างคอมัน <c oughs> แห้งท่านโป๋ก็บอกว่ามีหลานหลานจะไปดูแล้วหลานจะนั่งดูตรงนี้ก็เลยก็เลยถามท่านโป๋ว่าไอ้การไปดูจะมันดีกว่าหรือ ว, ว่าการนั่งดูตรงนี้ดีกว่าท่านโป๋ก็บอกว่านั่งดูตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องเคลื่อนไหว อยากจะดูอะไรตรงไหนมันก็ได้หมดแต่ถ้าเราชี้ดูจุดนี้เป็นขุมของทองคำํำ <c oughs> เธอก็เห็นทองคําเหลืออารามจุดนี้เป็นขุมของเงิน <c oughs> ก็เห็นเงินแผ่วสาจุดนี้เป็นจุดของแก้วแร่ธาตุต่างตาอธิบายหมดเป็นประเทศเป็นโลกที่มีความสมบูรณ์ที่สุด <c oughs> ซึ่งที่ปราณนามีทั้งหมดทุกอย่างแล้วก็เ่งให้ดูบ้านทุกๆุกกหลัง คนทุกๆคนที่จะมีความประพฤติที่มีความเป็นอยู่บ้านทุกหลังเป็นตึกหมดแล้วภายในบ้านมีเครื่องประดับประดาสวยสด ง, งามความเป็นอยู่ง่ายๆมีผักเป็นอาหารเป็นภ้าพื้นน น, นานๆจะกินเนื้อสับสักทีแสดงความว่าคนโลกนี้เป็นคนที่มีความสุขจิตใจเพื่อหวังจะการในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ไม่มี จุไรก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นคนประเทศนี้ในเมื่อเขามีชีวิตทรงตัวแบบนี้แล้วมันนานแสนนานเขจะตายอายุไขท่านรรรรทราบจากริกทานมาว่ า, ายุไขก็ต้องหมื่นสองพันปีใช่ไหมท่านหลวงก็บอกว่าใช่ <c oughs> จุไรจุไรก็ไม่ถามได้ปู่ใหญ่ว่าท่านปู่จ้ะคะกราบท่านแล้วก็ถามถามว่าท่านปู่เจะคะคนในโลกดาวลุมดํำนี่ อยากจะทราบว่าในบัญชีท่านปู่มีไหมท่านปู่ก็มองหน้าคิดแล้วก็นึกเขาเลยพูดบอกว่าเอ๊ะหนูเองพูดกับหลวงเล็กกันมาสาบายทำไมหันไม่ถามหลวงมาปู่ใหญ่ผมไม่พูดกับปู่เล็กนะเจ้าก็บอกว่าเห็นท่านปู่ใหญ่นั่งมงว่ า, างๆเงยๆเหงาเจ้าก็บอกว่าไม่เหงาฟังเจ้ากับปู่เล็กก็คุยกันปู่ก็ฟังเพลินๆดีเพราะเวลานี้จะพักงาน จะอะไก็อยากบอกว่าถ้าถ้าถ้านถามนั้นปู่ใหญ่จริงก็อยากจะทราบถึงบัญชีบัญชีเขาเนปู่ใหญ่เนี่ยมีแล้วก็คนทั้งโลกเห็นไหมท่านปู่ใหญ่บอกว่าไม่ใช่คนทั้งโลกคนทุกโลกก็คนทุกโลกที่มีอยู่ในจักรวาลนั้นทั้งหมดจะเป็นโลกระดาวหลุมดาก็ดีโลกใหญ่ไร้เคียงก็ดีโลกอนุษย์โลกที่เธออยู่ก็ดีโลกไฟจันโลกเรือคันโลกวัสดโลกไหนก็ตามที่มันมีคน ที่ไหนมีคนเขาทาความดีก็าทำคนทั่วเรื่องแปลกดัมบัญชีเขาโปรหมดแต่ก็แต่ว่าจะอย่างนั้นคนในชิลลาโลกหรือโลกดาวหลุมดาที่อยู่ในบัญชีดำเขาได้โปรมีไห้แค่นปรูรเราชอบใจว่าอินหลานนี่มันฉนลาดทีเงีมันรู้ได้ยังไงบัญชีดำบัญชีแดงอุไรก็บอกว่าโลุดดาวดาวออกจาค่ะ บัญชีดำหมายถึงมืดเชืองอารมใจดำท่านบอกก็บอกว่าไม่มีบัญชีที่บันทึกความชั่วเพื่อลงโทษพอคนในโลกหลุมดำอันนี้ไม่มีเลยว่าทุกคนเขาไม่ทําความชั่วทางด้านจิตใจบางครั้งอาจจะมัวบอกไม่บ้างนี้ดๆหน่อยก็มีคนในโลกหลุมดำจริงๆก็มีสภาพไม่เสมอกันนัก คนที่มีบารมีเครื่องคัดสร้างความดีในมนุษย์โลกก่อนตั้งใจทำความดียังเครื่องคัดไปเกิดในโลกหลงดําก็มีความปกติในการปฏิบัติทำสองโหมดคือพมืองาสีกับความรสิทธิ์บางคนที่ปฏิบัติจะเพิ่งเอาแพ้่งนก็หมายความอยู่ในโลกมนุษย์ความชั่วก็มีความดีปรากฏแต่ว่าโดยปกติแล้วจะทําความดีจะนิยมประพฤติปฏิบัติในในในกมรสิทธิ์ แล้จิตใจน้อมอยู่ในพรมิหันสีอย่างนี้เป็นปกติแต่ก็เผลอบ้างบางครั้งก็เผลอบางครั้งก็ไม่เผลอบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็พลาดแต่ว่าเวลาจะตายจิตใจคิดถึงคุณธรรมทั้งสองกลุ่มนี้แล้วจิตใจตั้งตั้งไว่าถ้าตายจากความเป็นคนเมรัยเขาเกิดเป็นคนใหม่ให้มันรวยกว่านี้ให้มันสวยกว่านี้ให้มีความสุขมากกว่านี้คําว่านี้หมายถึงตัวโลกจมัมพโ คนประเภนี้ตายจากโลกจุกจงโพแล้วก็มาเกิดในโลกดาวหลุมดาฉะนั้นคนประเภทนี้เวลาปฏิบัติความดีในสองหมดก็ฟ้องอภิเ่งไปบ้างเกือทําแบบบางครั้งมีการคุ้นฝืนใจนิดหน่อยไม่เรียกร้อยนักตระกิจเป็นสุขปฏิบัติแบบยิ้นโ น, น, น, น้นมีมากหมาความมีความสบายใจพระใส่กรรมหมดสิบบทธิ์กับพระมหาศีลนี่เวลานี้มากกว่าจิตใจกับ็ฟ้องอภิเ่งก็ถือว่าคนในโลกนี้มีกําลังใจไม่เสมอต้น ใ น, น, นหมายความปฏิบัติในการบวชสิกอย่างเครื่องคัดยังมีอยู่อย่างกลางมีอยู่อย่างอ่อนนั้มีอยู่แต่ไม่พ <c oughs> ลาดจุไรก็ถามท่าปู่ใหญ่แต่อ ว, ว่าคนทั้งทั้งโลกนี้ท่านตายแล้วจะไปไหนท่านปู่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าตายแล้วจะไปไหนเนี่ยก็กเป็นเรื่องของกําลังใจของแต่ละคนเพราะว่าโลกนี้จริงๆแล้วเคขาปฏิบัติความดีเต็มตรา นั่นคืหมายความมีภูมิฐานสี่เขาทุ่นนี่มันมีความดีทุกอย่างศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็ฉลาดแต่ว่าคนก็ต้องอาศัยบา ร, รมีถ้าบา ร, รมียังไม่แต่ก้าจริงๆจะ ต, ต้องเป็นไหวตายเกิดในวัฏฏะส่วนใหญ่จริงๆเขาจะได้เกิดบนสวรรค์ก่อนเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างทีไรก็ถามว่าพรหมต้องอาศัยฌานได้คนในโลกนี้มีฌานหรือเจ้าคะ ท่านปู่ก็บอกว่าการที่ต้องส่งความดีไปโพธิอย่างเครื่องคัดนั้นเป็นชาในพริหารสี่กับชาในศีลานติกรรมฐานทั้าางหมดสิบ ก, ก็คือสิ่งถ้ากําลังใจเป็นชาเขาตายเพราะอาศัยชาเป็นพื้นฐานเขาก็าไปจะเกิดในธ ร, รโลกน้านจุเลก็ถามต่อไปว่าท่ายัางเขาจะกลับมาเกิดนำนุรสโลกในโลกสุโพอีกไหมท่านปู่ก็ตอบว่าคนที่ต้องกลับมาจากโลกสุโพก็มีเยอะมีไม่น้อยเหมือนกัน เพราะกำลังบุญของคนทุกคนจะไม่เสมอกันบางคนก็ไปสวรรค์เรื่อยไปไปไปไมนุโลกแล้ไปอภิภัณฑเลยอย่างนี้ก็มีมากบางคนก็ต้องหงกลับมาสู่โลกชัพูโอีกแต่บางท่านไม่กลับจะเข้าะโลกชัพวโเลยลงนรกไปก็มีทุกอย่าก็ถามว่าในเมื่อเขาทาความดีทุกอย่า ง, างในการหมดศึกแล้วก็พึงยานสีไม่น่าจะไปเกิดในย ม, มโลกที่ไม่น่าจะลงนรก ท่านปู่ใหญ่เขาบอกว่าอาศัยกรรมเก่าหลานรักขณะที่เขาก่อนจะตายเขามีทั้งความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏแต่เวลาก่อนจะตายจริงๆใกล้จะตายเขาทรงพรมีหางสีและทรงกำปั้นสิบบนตัวนี้มีความเข้มแข็งนำเขาไปสู่โลกห ล, ลุมดาวหลุมดําก่อนเ้าอยากเกิดเป็นนกคนจะดาวหลุมดําแล้วเขาก็เขาก็ไปเกิดบนสวรรค์บ้างปเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างและเป็นพรหมบ้าง ตน อ, รรอนนี้เมืบุบารมีอนั้นหย่อนลงเวลาที่เขาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้เป็นพรหมไม่สั่งสมบา ร, รมีต่อมีความสุขเรื่องเมาในความสุขเมื่อบุญความดีขาดตอนตอนนี้ต้องลงมาโลกฉมูแล้วก็มีหลายๆคนเพราะใช้บาปเก่าสนับนลนให้ผลอย่างแรงพุ่งหลาวจากพรหมจากเทวดาจากนางฟ้าลงนรกทันทีก็มีเยอะเพราะว่าคนที่ไปที่นี่ไม่ใช่บริสุทธิ์มาตั้ตงแต่ต้นเสมอไป เกินเลยฟังท่านปู่ทั้งสองแล้วก็รู้สึกขอบคุณท่านก็ถามใี่ปู่ต่อไปว่าหลังจากนี้ไปแล้วท่านปู่จะมีการสอบผลอะไรไหมท่านปู่ก็บอกว่าบีเธอถามว่าคนที่มาคอยการสอบสวนท่านปู่นี่เป็นคนที่มีโทษทุกคนหรือเปล่าท่านปู่ก็บอกว่าทุกคนก็ทําทั้งความดีและความชั่วจะต้องสอบสวนกันถ้าหากใครนึกถึงความดีได้ก่อนก็ไปสวรรค์ ใครนั่นึกถึงความดีไม่ได้เลยนึแต่จะความชั่วยอย่างเดียวยอมรับความชั่วยอย่างเดียวก็ไปอาบายภูมิไม่ใช่หน้าทีเขาปู่จะส่งไปเป็นกฎกนของกรรมของเขาจะส่งไปจุไรก็ถามต่อไป ว, ว่าถ้าอย่างนั้นเวลาที่ท่านปู่อยู่ทำการสอบสวนถึงออย่างท่านปลู่มองดูเวลาก็บอกว่าถึงแล้วหลานนั่นปูก่ก็ปูกทั้งสองเขาทำ ง, งานต่อไปจุไรก็ลาแทนกลับอร บ, บันดาแทนพุทธบริษัท เป็นอนาุวาเทศนี้เป็นเทศปิดรายการเทปหน้านี้เป็นหน้าปิดรายการหนังสือฉบับนี้คือเล่มอ่านเล่นเล่นที่สิบสองเรื่องราวต่างๆที่เป็นมาทั้งหมดเป็นเรื่องนิท า, ขานของบรรดาเจ้าพุทธบริษัททุกท่านอ่านก็ดีฟังอดีขอยนึกวอาฟังนิทานอ่านนิทานก็แล้วกันตอนนี้ไปคอนลาทุกท่านขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์พู่นผ ล, ลจงมีแบบ ด, ด่บรรดาเจ้าพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี